อันนี้คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์เนี่ยธรรมมาพระไพาบูรณ์อภิปุลโนจากวัดป่าลำไหโศกแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการร่วมกันก็คือครับผมทันทะแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับก็ เ, เป็นผู้ร่วมดาเนินรายการพอดแคสต์อันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์เลยครับวันนี้เป็นตอนที่สิบแปดนะครับสิบแปดแล้วนะก็จะมีการ update, อัปเดตทุกวันพฤหัดเหมือนเดิมครับ คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงเข้าคอยติดตามกันอยู่เป็นระยะระยระยครับใช่ใ่เรื่องเรื่องอัปเดตนี่จะขออนุญาตพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตบางทีมันอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่าอาตมาอยู่บ้านนอกนะอุดรธานีครั บ, รบแล้วก็เป็นวัดป่าไอ้เรื่องการสื่อสารข้อมูลอะไรต่างมันก็จะมีติดขัดบ้างฝนตกบ้างไฟไหม้บ้างไฟไหม้ตามทุ่งอย่างเงี้ยนะ<อ>บางทีสายไฟเบอร์ออปติกมันก็ขาดมีปัญหาอะไรต่างก็อาจจะทําให้มีปัญหาบ้างแล้วก็ เซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้เนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของฟรีเป็นของที่<อ>เป็นตัวรีเพราะฉะนั้น ค, คิดว่าค่อยๆจะปรับป ร, รุงไปให้มันดีขึ้ น, น, นถ้ามีอะไรติดขัดบ้างท่านผู้ฟังก็ให้ออโตเอาใการทดสอบความโอดทนครับจริงๆถ้าผู้ฟังบางท่านที่อาจจะมีอะไรมีความสัมพันธ์หรือมีทรัพยากรบุคคลหรือรู้จักใครอะไรที่จ ะ, ะช่วยให้ การดำเนินการถ่ายทอดหรือว่าการบันทึกเสียงดีขึ้นก็ยินดีนะครับเสนอตัวมาได้เลยครับใช่ใช่ทีนี้ก็คือเรื่องของไอ้เจ้าตัวพอดแคสต์ตรงนี้แหละรลเราก็มีทีมงานที่ช่วยกันอยู่ก็ต้องอยกย่องทีมงานเหล่านี้ด้วยก็คือมีคุณปิงน ะ, ะแล้วก็ ค, คุณบี้ ค, บคุณซอ ค, คุณธนพัต่างๆเนี่ยที่มาช่วยกัน อ่าทําให้รายการต่างๆเนี่มันเดินดําเนินมาได้อืครับท่านเหล่านี้ก็เหมือนกับปิดทองหลังพระนะครับอยู่แบื้องหลังใช่ใช่แล้วก็เป็นทีมงานเบื้องหลังทั้งด้านหลังไม้หน้าไม้ก็มีสองคนนี่แหละครับกหมอและทงกับอาตมามากลี่กันธรรมะวันนี้เรามีประเด็นเรื่องอะไรนักหมอแัะทงครับก็เป็นประเด็นร้อนๆในสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องอละครชื่อดังมงกุฎดอกส้มทางนะครับทางที่ออกอากาศอ๋อ เ อ, อเรื่องนี้จริง ๆ, ๆแล้วที่ต้องการพูด เ, เรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่วาอาจารย์มาไป บ, บันทึกรายการที่สานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลังไม้ท่านหนึ่งเขาก็ได้ถามอาจมาก็ถามเขาไงว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะคุยอะไรกันดีวันนี้ระห ว, ว่างที่รอคุณเตือนใจอยู่เขาก็บอกนี่สีท่านอาจารย์โอ้ยเรื่องมงกุฎอะไรอะเรื่องกส้มเออเอนี่แหละดังมากเลยนางเอกเป็นอย่างงี้โอ้เขาเล่าให้ฟังหมดเลยนะ เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยอ่านหนังสือพิล์แล้วก็ไม่ได้ดูพวกทีวีเขาเขาเล่าให้ฟังแล้วก็จดจประเด็นเอาไว้ครับอันนี้นิดนึงคือโดยสถานะของภิกษุก็มิควรดูละครเหล่านี้ใช่ไหมครับเออก็ไม่ได้ดูคือการเล่นอนใดที่เป็นเป็นข้าศึกต่อผู้สนทามือก็จะเป็นการที่เราไม่ทํามันก็จะไม่ดีครับทีนี้ว่าประเด็นก็คือว่าคุณเตนใจก็ได้ถามในรายการ นะพอถามในรายการแล้ววันถัดมาคุณโย่ก็มีท่านผู้ฟังอะไรต่างพอทราบรายการนี้ก็บอกว่าเรยาบุกรายการธรรมารับรุณนะ โ, <อ>โดยโดยบุกรนี่หมาย <c oughs> ความว่าเอามาพูดถึงกันนะพูดถึงจับเป็นประเด็นร้อจับเป็นประเด็นน้อยขึ้นมาเพอสันสินีได้ข่าวนี้ก็เลยเอามาถามบ้างในรายกา ร, รแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันตอบไม่สะใจครั บ, รบนะมันยังตอบได้ไม่เต็มประเด็นก็เลยจะต้องเอามากุย นาฬกาใหญ่ใช่ครับภาคออนไลน์ข อ, ของเรานี่แหละต่อไปอีกนีหมอเทนพงศ์เคยดูไหมเคยดูสั้นๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วปกติก็เป็นคนไม่ไม่ชอบดูละครหลังข่าวแล้วก็แต่ว่ามีโอกาสได้เห็นแวบๆพอดีคนที่บ้านเขาเปิดก็เลยอ่ะดูสัหน่อยเห็นว่าดังก็ก็ก็เห็นส่วนที่เรียกว่านั่นนะครับที่เขาเป็นประเด็นร้อนกันนะครับคือเรื่องเรื่องของสัมมาวาจาที่คุณคุณเรยาเนี่ยพูดกับแม่ได้แบบ ตายละนี่ไม่ไม่มีกตันยูไม่มีสัมมาวาจาเลยอย่างเงี้ย ก, <ๆ> ก, ก็ก็รู้สึกครับตรงนี้ครับประเด็นประเด็นตรงนี้รู้สึกว่ามีหลายๆท่านพูดกันไปแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องในหนังสือพิมพ์ครับหรือว่าในรายการธรรมะอื่นๆแต่ประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือประเด็นนี้มรดกพงศ์คือคือเวลาเราดูละครเราดูละครแล้วเนี่ยเราก็มันก็จะมีดราม่าพวกนี้นะ มันก็จะมีตัวละครอยู่แบบไม่กี่ตัวที่หลักๆใช่ไหมคือตัวร้ายใช่ไหมตัวร้ายเนี่ยมันร้ายได้สุดยอดจริงๆไม่นึกว่าคนอะไรมันจะชั่วแล้วก็หน้าด้านได้ถึงขนาดนี้บางทีเราคิดอย่างนั้นนะอาตมาก็เคยดูละครครับโอ้โนี่มันทําลงไปได้ยังไงมันไม่มียางอายเลยอย่างเงี้ยนะคือตัวร้ายเราจะมีความคิดว่านี้ครับอืส่วนส่วนไอ้คนที่ดีดเนี่ยนะนางเอกนางเอกเนี่ยโอ้โห ดีขนาดนี้มันโง่หรือว่ามันอะไรกันแน่ใช่ไหมดีขนาดนี้มันไม่มีในโลกดีจนบื่อบางอันเถอะอเออเอาตัวลอดไม่ได้อย่างงี้ไม่มีหรอกคนในสังคมบางทีเราคิดอย่างนี้นะใช่ครับให้เขาหลอกถึงขนาดนี้ที่เราไม่รู้เรื่องอะไรมันจะซื่อซื่อจนเซอร์บางอันเถอะออีกอีกคนหนึ่งมันมีตัวละครเลยนักพระเอกนี่พระเอกเนี่ยบางทีก็ให้เขาปุยยี่ปุยยำไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรใช่ไหม มันมันเป็นลักษณะของละครอือ่าเป็นลักษณะของละคร <S <s> เหมือนสุดโตง่งน <c oughs> ไมเ่เขาก็ต้องทําให้เรื่องเขาขายได้เน่ะอือใช่ครับอมีสีสันมีรสชาติซึ่งอะไรที่ที่เวอ่อเว่อเกินจริงแล้วบอกว่าอ น, นี่สะท้อนความจริงของสังคมมันจะไปสะท้อนได้ไงอันนี้มันเว่อเกินจริงอือแต่ว่าเราเคยเห็นคนที่มันร้ายๆอย่างนี้มีจริงเหรอเราไม่เคยเห็นเลยนะอาตมาไม่เคยเห็นครับอ่า หรือคนที่บื้อขนาดนี้เร mm. าก็ไม่เคยเจอนะเพราะฉะนั้นละครเนี่ยมันก็จะต้องเขียนให้มันเป็นลักษณะของด uh, uh huh. ราม่าดราม่าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะเกี่ยวกับน้ำเน่าวังกันเถอะผมพยายามเลี่ยกคำเนียแต่ก็น้ำเน่าขนาดไหนนยคนก็ดูใช่ครับน้ำเน่ายิ่งเน่ายิ่งดูทาไมถึงเป็นอย่างนั้นมรุทพง์ เขาบอกว่าสะท้อนเหมือนกับคุณภาพของคนดูอันนี้ไม่ไม่ไม่ซ้ำนะครับไม่ไม่เหมือนกับว่าเออเหมือนกับตอบยิ่งยิ่งบางคนนะต้องรี บ, รบกลับบ้านอาบน้ําแต่งตัวทํากิจให้เสร็จเพื่อมาอยู่หน้าทีวีรอดูพวกเนา่นาๆพวกนี้ใช่ครับเออแปลกนะครับแล้วก็มาเรียกคนอื่นมาเชียร์ใครโทรศัพท์มาไม่รับปิดโทรศัพท์หรือใครมากวนช่วงนั้นไม่เอาเ้าวเป็นอย่างนี้เลยนะครับเออนี่คือคนดูละคร ติดกันงอมแงมนะครับติดกันงอมแงมงไปเลยนี่แหละคือประเด็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีผัดสาหารอยที่อาตมายังไม่ได้เคยพูดประเด็นเรื่องนี้ใ น, ในสอ2รายการ เ, เพราะเราพูดไปมันจะกระเทือนหลายคนมันคื อ, อกระเทือนอคนดูใช่ครับแต่เราพูดในตัวละครเนี่ยก็พูดไปได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนคดูอ่ะพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วศีนข้อหนึ่งในศีล8อย่างของผู้ประพฤติประมาจันคือการที่ไม่ดูกันและกันเป็นฆ่าศึกที่ที่เป็นฆ่าสึกแก่กุศลและทำทั้งหลาย ใช่ไหมยิ่งการมีผัสสะมากเนี่ยยิ่งเป็นอันตรายอย่างหมอรัตพงศ์เนี่ยดูแวบๆไม่ได้ดูอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ทําเป็นปกติเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ทําอะไรเป็นปกติอันนี้เป็นข้อดีของเราอยู่แล้วเราไม่ได้ดูกันะเล่นอันเป็นค่าสืบแก่กุศลธรรมทั้งหลายเป็นปกตินะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในในในธรรมดามันไม่มีเนื้อหาอะไรที่มันจะพอเป็นสาระได้ก็มีบ้างแต่ข้อเสียมันมีมากกว่า ใช่ครับอ่าแล้วคนด้วยเลยครับคนที่ตรึกในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการดูกันอะไรเล่นพวกนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะคิดคิดอกกุศลใช่แต่ประเด็นมันคืออย่างนี้หมอรัตพงศ์มันอยากดูอ่ะมีตัณหานะครับความอยากเนี้ยมันเป็นเหมือนสิ่งเสพติดเลยใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องละต้องเลิก เรื่องเอ้เราได้เคยพูดถึงเรื่องความติดสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไปหรือยังใช่ใช่เคยเคยกล่าวถึงอในในหัวข้อของปฏิจจสมุปาที่บอกว่าอันหาเนี่ยครับตัวเนี่ยเลยชักลากเข้าสู่เพราะฉะนั้นเรื่องของผัสสะเรื่องของการเสพติดเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าผัสสะกเวทนาครับผัสสะก็คือเรากระจายมาว่ามาทาง ตาตาดูใช่ไหมครับใช่ใ่ผู้ฟังอ่าเดี๋ยวนะเออท่านผู้ฟังคนไหนที่ดูละครแบบดูละคร2เรื่องนี้อยู่คือต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาตอว่าเก่าขันแต่แต่ให้ทราบว่าเอออันนี้เป็นภัยนะการดูละเล่นการดูการเล่นเป็นค่าสเกกุศลธรรมเป็นภัยครับแล้วก็การดูการเล่นพวกเนี้ยเป็นภัยยังไงเนี่ยเป็นภัยต่อการสํารวมอินทรีย์ พรืพุทธเจ้าพูดถึงเสี้ยนน้ำสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำกันเป็นอย่างธรรมชาติเนี่ยคือการดูกาะเล่นพวกเนี้ยเป็นเสี้ยนน้ำต่อการสํารวมอินทรีย์ออืการสํารวมอินทรีย์คืออะไรการสํารวมอินทรีย์ก็คือการที่ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลทำทั้งหลายเนี่ยเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราออืเพราะฉะนั้นอันนี้ยจะเป็นเหตุที่ทําให้เป็นผู้ดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยออื เพราะว่าการที่เราสํารวมอินทรีย์เนี่ยเป็นของสําคัญนะครับอพอสํารวมอินทรีย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตจะไม่กลือกลัวนะพอจิตไม่กลือกลัวเนี่ยจิตก็ไม่ไหลไปตามใช่ไหมพอไม่ไหลไปตามก็มีปราโมชมีปราโมชก็มีปีติมีปีติก็มีสุขมีสุข ก, ก็มีสมาธิใช่ไหมมีสมาธิก็จิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นก็เห็นทำทั้งหลายก็ปรากฏพอมีทำทั้งหลายปรากฏอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะนั่นโอ้มันมีความเสียหายหลายอย่างนะ ครับใช่ฮะแล้วก็ถ้าถ้าสามารถระงับตรงนี้ได้ก็เกิดอานิสงส์อีกหลายอย่างเช่นกันใช่ไหมครับในทางกลับกันใช่แล้วก็เห็นมีข่าวล่าสุดนะที่ว่ามีแม่ไปฆ่าตัวตายเพราะว่าลูกด่าใช่ั้มลูกก็คิดว่าด่าแม่ได้เพราะว่าในละครทีวีเขาก็ทำกันนี่แหละมนี่จะผลเสียหายใช่ครับ เป็นเป็นผลกระทบโดยตรงเลยใช่ทีนี้ประเด็นมันอยู่อย่างงี้ไงคุณหมอลนพงศงคือถ้าไม่มีคนดูเนี่ยคนทำมันทำไม่ได้หรอกใช่ครับเพราะฉะนั้นเราคนดูเนี่ยเราต้องมีพวกมากกว่าก็คือไม่ต้องดูมาฟังธรรมะนี่อ่านธรรมะที่เป็นพุทธวจนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากฟังธรรมแล้วก็มาถกกันมาคุยพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับใช่ใช่ครับนั่นแหละ จริงๆความบันเทิงในธรรมนี่ก็มีเยอะนะครับท่านจากที่สัมผัสมาเนี่ยใช่เราเรียกว่าอาถาลาราเริงในธรรมนะมีหลายอย่างแหมเวลาเราฟังธรรมคุยธรรมะแล้วมันร่าเริงมันเบิกบานเบิกบานมันมีความปีติอย่างเงี้ยนะใจอิ่มเอิบขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกด้วยเป็นนิรามิสใช่ไหมครับเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ต้องสวยขึ<ม>้งภายนอกคครรัับบ ไม่ต้องอาศัยอามิสใช่ไหมครับไม่ต้องเอาทีวีมาล่อครับไม่ต้องเอาเพลงมาเพลงก็ตามอินเทอร์เน็ตก็ตามอะไรพวกเนี้ยมาล่อเราให้เรามีความสุขเราก็มีความสุขได้ครับอ่าทีนี้ก็คือเรื่องของละครนั่นแหละครับก็เลยเป็นอุทาหรณ์ที่ดีเลยนะครับเนี่ยโหเรงใช่ทีนี้คําถามที่เราจะตอบในวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยครับคําถามก็มีจาก คำถามแรกก็จากผู้ฟังซึ่งใช้ชื่อว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับท่านถามว่ามูลเหตุที่จะทำให้จิตมีเมตตาให้ได้ในทุกสถานการณ์ทำอย่างไรจิตจึงจะสบายมีเมตตาตั้งอยู่ได้นานๆ น, น, นะครับอีกนิดหนึ่งเนื่องจากตัวผู้ถามเนี่ยมีจิตเมตตาได้กับคนทั่วไป แต่ในคนที่มีนิสัยชอบเอาเปรียบเราหรือชอบเบียดเบียนผู้อื่นผู้ถามเนี่ยจะบอกว่าจิตของของเขาเนี่ยจะมีความไม่พอใจและสลัดความโกรธออกได้ยากครับก็เลยถามมาเป็ถามะะว่าคื อ, คอจะทาอย่างไรใช่ครับจิตของเราต้องมีมาตรฐานเดียวคนที่พอเขาทำดีเนี่ยนะแล้วก็ดีตอบใช่ไหมหมอตะทรงพอเขาทำไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ดีตอบสองมาตรฐานโดยสิ้นเชิง อ๋ออย่างนี้เขาเรียก double standard เลยครับถูกต้องเพราะว่าอะไรถ้าคนดีกับเราเราก็ดีตอบคนไม่ดีกับเราเราก็ดีตอบนี่สี่มาตรฐานเดียวออเพราะฉะนั้นคุณน่ะสองมาตรฐานไม่ถูกต้องอต้องแก้ไขที่<อ>จิตของเรา<ก>ใช่<ม>ไหมวิธีแก้ก็คือทํำยังไงเราก็พระพุทธเจา้าบอกเอาไว้ว่าคนที่เจริญเมตตาจิตแม้ช่วยรัดนิมมือเดียวเนี่ยก็ชื่อว่าเพียรเผากิเลสชื่อว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาจะกล่าวไปใหญ่ถึงผู้ที่เจริญเมตตาจิตได้มาก โอ้โหเมตตาจิตนี่มันยิ่งต้องทําเลยนะใช่ครับใช่ครับแม้แต่บางคนอยากจะบอกว่าคนเนี้ยขอไว้สักคนนึงไม่ได้เอามันเลวจริงๆเลยนะเรียกว่าเกยดเข้าไส้เอออย่างตัวละครในในอะไรในละครน้ําเน่าเนี่ยมันเลวจริงๆเลยขอเกียดมันหน่อยไม่ได้ไม่ได้ขนาดว่าคนเอาเลื่อยมันเลื่อยเราขาดเป็นสองท่อนครปุริชาเขาบอกว่า จิตของเธอต้องไม่แปรปรวนเธอต้องไม่กล่าวอาจาย์เป็นบาปเธอต้องมีจิตเมตตาเอินดูกื้อกูลแผ่เพียงสปปรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีบุคคลนั้นแหละเป็นอารมณ์โอ้โหนี่เรียกว่าคั้นขนาดเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวนี่ฮะใช่ผู้ทุกาบอกว่าถ้าเธอทําจิตถึงด้วยโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยอยู่แล้วเนี่ยเธอจะเห็นช่องทางอันที่จะไม่พอใจคนอื่นได้ไหมไม่มีทาง ครั บ, รบพระพุทเจ้าเปรียบเทียบพระสูตรนี้เอาไว้อย่างสวยหรูมากด้วยอุปมาสี่หรือ5้าอย่างนี่แหละอย่างแรกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่จะเอาจอบกับบุ้งกีมาแล้วจะไปขุดผื้นดินคนะบอกว่าฉันจะขุดพื้นดินไม่ให้เป็นดินไม่ให้เป็นแผ่นดินอีกต่อไปนะขากถุยอยู่กระทืบเท้าอยู่บอกมึงอย่าเป็นแผ่นดินอีกต่อไปมันไม่ได้หรอกหมอรัตพงศ์มันไม่มีมันยังไงมันก็ต้องเจอดินนะครับต่อให้เอารถแมคโครมาขุด ก็ต้องเจอก็ต้องไม่มีทางทำให้มันเป็นไม่เป็นแผ่นดินไปไม่ได้ใช่ครับนะเช่นเดียวกันถ้าเธอเห็นคลองแห่งถ้อยคําแห่งการกล่าวหานะคือเวลาคนเขาจะมาด่าเราเอาเปรียบเราเนี่ยนินทาอ่ามันมันยังไงเนี่ยถ้าเราทําจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาเนี่ยเขาไม่มีทางทําให้เรากระเสือนได้นะอันที่สองพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถือเอาสีมาจะเป็นสีโปสเตอร์สีน้ําสีเขาเรียกว่าอะไรสีน้ํามัน หรือว่าสีสเปรย์ก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะมาเขียนรูปให้ปรากฏในอากาศไม่มีทางทำได้เลยเพราะอากาศเป็นสิ่งที่มีรูปอยู่ไม่ได้ใช่ครับหรือว่าอย่างที่สามเขาบอกว่าเอาเอาคบเพลิงหญ้ามาบอกว่าจะไปเผาแม่น้ำคงคาเนี่ยให้เดือดพล่านร้อนจัดด้วยคบเพลิงหญ้าเอาย่านะมอญทงหญ้ามาทำเป็นคบเพลิงซึ่งหญ้าเนี่ย มันเป็นเชื้อเพลิงที่ไหมแล้วก็วูบบัฟใช่ปะไหมอยู่ได้ไม่นานไม่นานแล้วก็ควันก็มากเข้าตาเราอีกครับแล้วก็ไฟก็นิดเดียวกลิ่นก็เหม็นเดี๋ยวมันก็มาลามถึงมือเราโอ้มีแต่ข้อไม่ดีจะเอาไปทําให้มันเดือดพล่านร้อนจัดเนี่ยไม่มีทางได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับต่อให้ต้มน้ําแก้วเดียวยังยากเลยใช่ครับอย่างอย่างที่สี่เนี่ย อย่างที่สี่นะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับขนอหนังแมวป่ากขนฝูนะเอามาฟอกนวดนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นนะไม่ส่งเสียงไม่ส่งกันบานเสียงถ้าใครจะเอาไม้หรือไม้หัวหมงมาทุบเนี่ยมาตีเนี่ยจะทําให้มันมีเสียงบรึมๆเนี่ยไม่เป็นฐานะที่จะเป็นได้ยากมากครับนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูสิว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบในอุปมาอุปไ ม, มยเนี้หมายความว่า ถ้าเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เป็นปริมาณมากนนั้จิตของเราเนี่ยถ้าเรามีเมตตาอยู่มากๆมีน้ําอยู่มากๆเนี่ยเวลาเขาโยนเชื้อเพลิงเข้ามาโยนไม่ขีดเข้ามาเนี่ยไม่มีทางติดใช่ไม่ติดครับดับแน่นอนแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีเปลวเขาเรียกว่าเชื้อไฟแก๊สแก๊สของ LPG อย่างนี้นะอย่างในปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาห้ามดูดบุหรี่เพราะอะไรเพราะมันติดไง่ายครับาไอ้ละเหยของเชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันบึ้มเลย แสดงว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าความดําเบิอันเป็นบาปอยู่ความดําเบิอันเป็นพยาบาทอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรมานิดนึงนะมันกระเทือนเลยใช่ครับนะอย่างนี้ต้องผ่านการฝึกฝึกฝึกเยอะๆเลยใช่ไหมครับอาารอันเนี้ยพระุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นกิเลสอย่างกลาง ค, นะความดําเบิที่เป็นไปกับด้วยพยาบาทเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความคิดนะมันไม่ได้ออกเป็นคําพูด แต่มันเป็นดําริที่อยู่ในใจดําริเนี่ยคือสังกัปปะสังกัปป ะ, ะครับว่าว่าเรามีความเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถ้าใครมาทําผิดกับความเห็นเนี่ยมันจะมีอาการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งดําริอันเป็นไว้กับด้วยเมตตาครับนะคนจะทําอย่างนี้ได้คุณจะต้องเจริญเมตตาบ่อยๆเป็นการฝึกสติด้วยการเจริญเมตตา ค, ครับคือเวลาเรานั่งสมาธิหมอนเสื้อผงมันง่ายนะ นั่งสมาธิอยู่ยิ้มอยู่คนเดียวเปิดแอร์เย็นฉ่าไม่มีใครมากวนเนี่ยไม่มีภาระกระทบเลยอยังไงมันก็เป็นสมาธิสบายใจได้ใช่ไหมแต่กิเลสเวลามันจะเอาเราเนี่ยมันไม่ได้รอเรามานังมานั่งสมาธิน่ะใช่ครับมันเอาเราที่เผลอขับรถอยู่เงี้ยมอเตอปาดหน้าช่วงที่ที่เลยอ่ามันไม่ได้มารอเรานั่งสมาธิน่ะใช่ครับ หรือ <มา S 1> เราวเวล า, าหรือเราอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาถามแทรกขึ้นมามันจีด๊ดมันไม่ได้<ช>รอมานั่งสมาธินะใช่ครับอ่าเพราะนั้นถามว่าเราจะตรียมการอย่างไรนี่แหละถึงว่าการฝึกที่เป็นรูปแบบจริงๆมีความสําคัญนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้ไปอยู่ราวป่าอยู่โคนไม้เสพเสนาสนะอันสงัด<อ>เพราะเมื่อเวลาที่มีภาษาเข้ามากระทบเนี่ยมันก็จะไปได้เวลาที่เราทําตรงเนี้เพื่ออะไรเพื่อความสมบูรณ์และบริบูรณ์ สมบูรณ์กับบริบูรณ์เราไม่เหมือนกันได้คุยไปแล้วในรายกา ร, ร บ, บริบูรณ์เนี่ยหมายความว่าทำให้มันเต็มนะสมบูรณ์คืออะไรทําให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราไปนั่งสมาธิมีจิตให้มีเมตตาเนี่ยสมบูรณ์แล้วเออบริบูรณ์แล้วเออสมบูรณ์แล้วถูกต้องนะให้เรามีจิตเมตตาอยู่เรื่อยๆถูกต้องทําให้มันบริบูรณ์นะอย่างสมมุติถ้าเปรียบเทียบก็คือน้ําขวดหนึ่งหนึ่งจุลิตรอย่างเงี้ยเอาน้ำบริสุทธิ์ใส่เข้าไปสมหยดน้ํามันก็บริสุทธิ์นะแต่ไม่พอ ไม่พอที่เราจะเอาไปใช้ในการที่จะเดินทางไกลได้คุณต้องเติมให้เต็มขวดเหมือนกันเพราะนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติให้ทําให้บริบูรณ์ไหนทําให้เต็มไม่ทําให้มากถ้าไม่ให้เจริญพระเจ้าบอกนี้ครับเวลาใครมากระทบเราเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีมาตรฐานเดียวได้ดีกับเราเราก็ดีตอบไม่ดีกับเราเราก็ดีตอบเราก็ดีต่อ่าดูอย่างพระเจ้าสิพระเจ้าะคนมาด่าพระองค์ใช่ป่ะก็สบายใช่ครับ มันไม่ไม่ไม่กระเทือนเลยอก็เรียกว่าไม่มีจิตที่เขึงเคียดไม่มีความที่อไม่พอใจกระฟัดกระฟีดเกิดขึ้นอ่าเวลาคนมายกย่องสรรเสริญก็ไม่เป็นผู้มีความกำนัดยินดีมีความตื่นเต้นแห่งจิตใช่ไหมครับสบายอยู่คนเดียวอ่ะถ้าเป็นปุถุชนเวลาคนชมนี่ก็จะฟูนะฮะใจเลยจะฟูลอยเโดนด่าก็แฟฝง เห ม, มกัน ก, กันเลยใช่สองมาตรฐานไม่ควรทำเพราะฉะนั้นคิดว่าวิธีการก็คือว่าทำให้มากทำให้เจริญทำให้บ่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยทำให้นาน อ, อย่างนี้ใช่ครับทำในใจไว้ซึ่งโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยนี้แหล ะ, ะทางแห่งถ้อยคำอันที่เขาจะมากล่าวหาได้จะไม่มีทางมากระตือนจิตของเธอตั้งอยู่ได้เลยพุทจาวะนี่นะจำาให้ดีนะถ้าใครที่ไม่เจริญเมตตาจิตแล้วนะ จะชื่อว่าไม่ทําตามคําสั่งสอนของศาสดานะเป็นผู้ที่ถือศาสนาโดยความเป็นศัตรูนะโอ้โหหนักเลยนะครับนนหนักโทษหนักโทษหนักอย่าทาอย่าทํานักหนกัไม่ถ้าถ้าในทางกลับกันคือได้เจริญเมตตามีสติก็คือเป็นผู้หมุนกงจัดแห่งพุทธศาสนาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ช่วยกันก็เรียกว่าขับเคลื่อนธรรมจักรนี้ครับที่เป็นจักรอันยิ่งกว่าดีมาก ค, คือมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละจิตของ คนที่มนุษย์ไม่ฝึกฝึกใช่ไหมครับคือหมายความว่ากําลังฝึกอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นดีแล้วที่เราที่เราได้ทราบข้อมูลนี้มีสติในการรู้ที่ว่าเฮ้ยเรายังละไม่ได้มีสติในการรู้ที่เราว่าโอ้มันยังมีการไปข้างหน้าไปถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เห็นปัญหาเนี่ยแก้ได้แน่นอนหมอรัตพงศ์อืใช่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เป็นอริยสัจสี่คือเห็นทุกข์ก่อนใช่หาสมุทัยเหตุเหตุแห่งการเกิดทุกข์ครับ เราเห็นปัญหาเราคิดว่าไอ้ตรงนี้มีปัญหามาสอบถามผู้รู้นะเรามีข้อมูลให้มีหนทางก็มีอยู่เดินตามนั้นยังไงมันต้องได้ครับอย่าท้อใจให้มีกำลังใจครับแล้วก็อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยให้สู้ต่อไปมีกำลังใจเพื่อชัยชนะวางอันเถอะครับมีความเพียรมีเหมือนที่เราพูดถึงพละห้านะครับใช่มีศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณที่ใช้ชื่อว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับใช่ครับตอนนี้ก็คงจะมีประเด็นเรื่องของคามีอีกหนึ่งคาถามครับจะได้เลยอท่านผู้ใช้แนะนว่า md นะครับคุณ md ยกพุทธวจนะมาบอกว่าราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ ภาสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่นะครับราหุล เ, เปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจ ด, ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่คลุ่มรลุมจิตตั้งอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนะครับพุทธ ว, ททวจะนะที่กล่าวม า, าคุณเอมดีถามว่าการเปรียบผัสสะเหมือนกับแผ่นดินนั้น ผู้ถามเนี่ยเข้าใจอยู่แต่การอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินนั้นทําอย่างไรต้องเข้าใจให้ถูกต้องนิดหนึ่งว่าผัสสะเนี่ยไม่ใช่แผ่นดินผัสสะในที่นี้เนี่ยก็คือของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างพูดบ้างพวกนี้เนี่ยคือผัสสะแต่สิ่งที่เป็นแผ่นดินนั้นคือจิตนั้นจิตรเราต้องทําให้เหมือนเป็นแผ่นดินครับ อ, อันใครๆเนี่ยจะทําให้มัน ไม่มีเนี่ยไม่ได้มันยากมันต้องมีครับแต่ว่ามันจะรับภาษสะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมครับทีนี้ว่าคำถามก็คือว่าจะทําอย่างไรให้สามารถอบรมจิตให้เหมือนแผ่นดินได้อ่ตรงนี้ครับประเด็นนี้ก็มีหลายอย่างนะธรรมะพระทธเจ้าเนี่ยมันสอะรับกันหมดเพราะฉะนั้นเราหยิบมาตรงไหนมันก็ตอบได้หมดเลยครับอย่างเช่นว่าจะอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินก็อดทนไง มีความอดทนอดทนเนี่ยครูเชาอธิบายความหมายของคําว่าอดทนคืออะไรก็คืออดทนต่อความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อถ้อยคําอันหยาบคายไร้กาศนะอดทนต่อทุกกเวทนาอันแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตอดทนต่อสิ่งพวกนี้ได้นะจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแผ่นดินได้ครับอดทนนี่มันก็จะต้องเข้าใจของคำว่าอดทนกับไม่ให้เกิดมีก็จะไม่เหมือนกัน นะคือคนที่ไม่ต้องอดทนแล้วเนี่ยกับคนที่ต้องอดทนอยู่เนี่ยจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่ต้องอดทนอยู่เนี่ยแสดงว่ามันยังเกิดอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะพนักงานดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงในในสถานีไฟไหม้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องร้อนร้อนแน่นอนนะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าไปและเพื่อที่อะไรจะดับเพลิงใช่ไหมเหมือนกันคนที่แต่ว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปดับเพลิงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่มีแล้ว ไฟไม่มีไม่ได้โดนความร้อน hmm. เหมือนกันเวลาที่เราจะต้องอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่าความรู้สึกนั้นไม่เกิดเกิดอยู่โกรดอยู่ไหมเวลาเขาด่าเราเนี่ยมันหึมฮืมอยู่ในจิตเนี่ยมันืึมอยู่เลยกรดอยู่ข้างในกรดอยู่ข้างในหึมฮมอยู่เลยคลุครุกอยู่ละแต่ว่าอดทนไว้อดทนไว้อดกลั้นไว้ไม่ให้แสดงออกมาทางหน้าตาไม่ให้แสดงออกมาทางปากไม่ให้แสดงออกมาทางอื่นๆนะี่อดทนอยู่ เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็จิตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็ให้อบรมจิตด้วยความอดทนก็ได้นะหรือว่าด้วยการที่อไปคิดเรื่องอื่นนะทําในใจไว้ซึ่งนิมิตแห่งนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลด้วยอ่าที่เป็นกุศลนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะคิดถึงเรื่องของพระบาอาจารย์อ่าพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ หรือว่าคิดถึงความดีของข้อที่<ข>ตัวเองมีศีลคิดคิด<ห>ถึงลักษณะของธรรมะอย่างนี้ว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำแล้วเราจะเป็นคนดีอะไรที่ทาแล้วมันจะหยาบขึ้นกระด้างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แน่ละเราก็เลิกทำอันนี้ก็ได้นะจะทำให้อุปรมจิตได้เหมือนแผ่นดินได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้จริงจริงนะครับแล้วก็ คำว่าที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าตั้งอยู่ได้เนี่ยตั้งอยู่ได้เนี่ยหมายความว่าให้เข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสภาวะจิตหนึ่งที่เป็นผู้ให้พิสูจ์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดในการดํารงอยู่เพราถ้าเราฉลาดในการดํารงอยู่ก็คือสามารถให้ตั้งอยู่ตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องอนะืวิธีหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็ใช้อนาปานสติก็ได้อการสังเกตดูลมหายใจใช่ เราสังเกตดูลมหายใจไม่ให้จิตไปไหนอย่างท่านที่เคยฟังตอนที่เป็นตอนที่สิบสามหรือสิบสี่ที่ว่าด้วยเรื่องของจูรงนะสติที่เป็นนายทวานเหมือนกับนักรบผู้ฉลาดนในทวานผู้ฉลาดเพราะเราก็ใช้ลมหายใจของเรานี่แหละเป็นสติในการเครื่องระลึกเครื่ระลึกนะฮะครับจริงจริงพระพุทธเจ้าก็แนะพูดไว้เยอะเลยนะครับเรื่องของอานาปนสติเนี่ยพสูตรเยอะแยะเยอะแยะเลย หรือว่าจะใช้ h i ริ a r c อตปะปะก็ได้คือความกลัวและความละอายต่อบาปัะอย่างพระสงฆ์เนี่ยอยู่ด้วยกันสององค์เนี่ยนะคอ่ามารดาพงเราก็จะเกรงใจกันสมมติว่าเราจะทําอะไรไม่ดีหรือว่าเราจะล้างแล้วกินแล้วเราก็จะไม่ล้างไม่เก็บไม่ทําความสะอาดเนี่ยเราก็จะเกรงใจอีกคนหนึ่งแล้วเราก็จะกลัวละอายว่าอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนไม่ดีอยากนั้นเลยเราทําดีกว่าอ่าก็จะมีความกลัวความละอายกันต่อบาป เพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าเราบอกว่ า, าฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมฉันเป็นผู้ประพฤติอยู่ในมัคฉันเป็นคนที่ใช้พุทธวจนะนะฉันจะเป็นธรรมทูตนะฉันจะไม่โกรธแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่นะจะมีคนมาข้างๆมาเตือนเราเหมือนตุ๊กแกอย่างนี้นะออย่างงี้นะ<อ>ก็จะต้องเขาก็จะทําให้เรารู้ว่าโอ้ โ, อ โ, อโอกรธแล้วโกรธละไม่ดีไม่ดีดเดี๋ยวเขาจะ <laughs> เขาจะมาด่าเราได้หรือเขาจะเห็นเราเป็นคนไม่ดีไนดะ้อะเราเลิกเลิก นีเป็นต้นตรงนี้ยากในกรณีเหมือนเตือนตนเตือนต น, ตนใช่ไหมครับอืมใช่มีอีริโอตป ะ, ตปะก็ได้เหมือนกันครับครับคืออย่างกรณีที่ท่านกล่าวว่าพระีิสุกสองรูปเนี่ยก็จะจะเห็นชัดแต่ว่าถ้ากรณีของคนคนเดียวจิตที่จะมาเตือนตัวเองเนี่ยโอ้ไม่ง่ายนะครับอืมต้องมีต้องฝึกเยอะเยอะ้มีสตินะครับสติหรือว่ามีเพื่อนดีก็ได้เนาะมีกระเลงมิตร การยันม <Dynam> ิด <c oughs> มีการยันมิดเนี่ยก็จะสามารถช่วยเตือนเราได้เพราะว่าเพื่อนเนี่ยนะหน้าที่ของเพื่อนเนี่ยคือรักษามิตรที่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการประมาทเช่นเราเกิดโกรธขึ้นมาเราเกิดพูดไม่ดีขึ้นมานะเขาเตือนเราเออนั้นเขาเป็นเพื่อนดีนั้นก็จะมีส่วนทําให้เร า, เามีจิตเหมือนแผ่นดินได้ครับหรือว่าถ้ามีเพื่อนดีในกรณีที่2ก็คือว่ามีอริยมรรคมีองค์แเป็นเพื่อนดีก็ได้ โอเพื่อนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอย่างเดียวใช่ไหมครับตัวบุคคลก็จะมีสองนัยยะนะคือนัยยะที่เป็นเพื่อนที่เป็นครวาสนะเป็นคนรู้จักกันหรือว่าเป็นเพื่อนที่สองก็คือเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าอ่าพบะปริชาเองนะตอนนี้ปริชาไม่อยู่แล้วแต่ก็ตัวตัวพระธรรมพระธรรมก็เป็นเป็นครวาอาจารย์อย่างที่สามนะกรณีที่สามนี้ไม่ใช่ตัวบุคคลละเป็นเรื่องของหมวดธรรมะก็คืออริยมรรคของแปดครับครับชัดเจนชัดเจน เพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือปัญหาของคุณเอมดีนะว่าทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินได้อย่างไรครับก็คงจริงๆนำมาใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณเอมดีฟังอยู่ก็งมากก็มีโอกาสที่ปฏิบัติก็ขออนุโมทนาด้วยครับใช่อีกประเด็นเรื่องของการทำจิตตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆฝึกไปนให้ฝึกไปฝึกไปฝึกไป ฝึกเนี่ยมันก็มีตรงที่เรามีผัสสะเท่านั้นเองจะเป็นจุดที่เราฝึกได้ภัสสะนี่แห<ต>ละจะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในภัสสะแล้วเนี่ยจะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยก้าวหน้าได้อย่างมากนครับ อ, อย่างก็อย่างตัวเองเวลาไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเข้าคอร์สบางทีเนี่ยสามวันห้าวันบางทีรู้สึกว่าเออมันมันมันเข้าเข้าสมาธิหรือว่าสงบได้ง่าย แต่ตอนออกมาแล้วมาอยู่ในโลกการทํางานโลกของครอบครัวมีลูกเต้าแม่มันอันนี้เขาเรียกของจริงอ่ะเหมือนลงสนามจริงใช่ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราได้ฝึกมาก่อนแล้วตรียมตัวมาก่อนอย่างเงี้ย <c oughs> มัน <c oughs> ก็จะจะเป็นสิ่งที่ดีคครรั <c oughs> ับบอแล้วก็ <c oughs> ภาษา <c oughs> ทุกอย่างที่เราพบเจออยู่ทุกวันนี่แหละอจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นชั่วโมงบินให้เราด้วย ในขณะที่ hey, hey. อย่างคุณผู้ศึกษาและปฏิบัติหรือคุณเอมดีก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีจิตอะไรที่เรื่องเราทำให้เราไม่พอใจกระเทือนใจขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยได้วางได้นั่นแหละเป็นชั่วโมงบินของเราเป็นวิธีที่เราพัฒนาจิตตรงนั้นเลยคือเร mm ีย hmm. กว่าทำสมาธิอ n t เด go โกนะโดยที่ไม่ต้องไปวัดโดยที่ไม่ต้องนั่งเฉยแต่ทำ mm hmm. อยู่นะขณะที่เราทางานอยู่เจอผัสสนั้นอยู่เลยครับซึ่ ง, mm hmm. ซ, งซึ่งการปฏิบัติของเราเนี่ยอย่างที่พูดไว้เป็นประจำว่า ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่มีข้อแม้เลยเมื่อไหร่ที่เรามีลมหายใจก็ชื่อว่าเธอปฏิบัติอยู่ครนะแต่ว่าการหลีกเร้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําให้เป็นตัวอย่างก็ควรจะทําเป็นระยะระยะที่หาเหตุปัจจัยได้ตามสมควรอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีครับก็ฝึกในรูปแบบด้วยแล้วก็ฝึกในชีวิตประจําวันด้วยใช่ไหมครับต้องคู่กันไปครับคู่กันในทุกอิรยาบทเลยใช่ใยืนเดินนั่งนอนนะครับ ข่าวต่อไปเรื่องที่ติดค้างกันอยู่ <S <S 1> <S 1> ก็คิดว่าเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่จะนําไปสู่ความเป็นวิมุตติ <S <S ให้เข้าถึงสู่วิมุตติได้อย่างไรเ<ๆ>พราะมันที่ฟังฟังกันมาก็จะมีแต่อวิชชาแล้วก็ไปทุกทุกแล้วก็หมาอาวิชาชาเอลักจากทุกจะไปถึงดับอวิชชาเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะมามพูดถึงประเด็นตรงนี้กันในคราวหน้าตอนที่สิบเก้า ในครับ <c oughs> ก็ท่านผู้ฟังใดถ้ามีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยคำแนะนำต่างๆนะครับก็ส่งมาได้ที่เพียงธรรมะ .com นะครับก็มีของท่านอาจารย์ไพบูลก็มีเปิดอยู่นะครับใช่แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังตอนเก่าๆที่ผ่านมาแล้วก็หาเวลาดาวน์โหลดมาฟังกันได้เพราะว่ามีเนื้อหาที่อาจจะต่อเนื่องกันอยู่จะได้ฟังก็จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราต่อไปด้วยครับ ดังนั้นเปิดทํทีถูกปิดนะภาคออนไลน์อพิโซดที่18วันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้พวพบกันใหม่ตอนที่19สัปดาห์หน้าครับต้องกราบนักสการพอาจารย์ภั ย, ยบูลอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกครับอนกราบขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ